ความเสียใจความเศร้าความอลไยเสียดายอะไรอาวรณ์ส่วนประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็มักจะมาในรูปความโกรธเช่น <c oughs> <c oughs> เจอคำต่อว่าด่าทอคำตำหนิติดเตียนเจอทุกขเวทนาเช่นความปวดความเมื่อยรูอว่าเจอความหิวโหวยอาจจะลงไปถึงเจอดินฟ้าอากาศที่ มันบีคันแดดร้อนอากาศหนาวนอกจากยังรู้ไม่ถึงว่าคนรักของรักไม่เป็นไปตามใจไม่เป็นไปตามใจหวังหรือว่า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 ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็มักจะได้กับความโกรธ๋ยวจะผลักไสออกไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนเรานะต้องเจอวันแล้ววันเล่าถ้นะเาเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นนะ มันก็ทำให้ทุกได้ทุกอย่างไม่พอก็จสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นตามมาด้วยเมื่อที่ที่แล้วในช่วงวันเข้าบรันสาก็มีผู้ชายคนหนึ่งแกก็ คุ้เคยกับพี่ชายมากอายุห่างกันประมาณสิปีน้องชายก็สี่สิบพี่ชายก็ห้าสิบห้าสิบสองห้าบสามพี่ชายนี่กินเหล้ า, มาเมาเป็นประจำน้องชายก็เห็นว่าข้าวพรรษาก็ขอร้องให้พี่ชายงดเหล้านะในช่วงข้าวพรรษาพี่ชายก็ไม่สนใจยังกินเหล้า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 พี่ชายตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนกำลังนะน้องชายก็เลยไปต่อว่าพี่ชายก็เลยเกิดพี่ชายก็เลยโกรธไปคว้าขวานมาจะมาทำร้ายน้องชายน้องชายก็เลยควักออกคัตเตอร์ออกมาเพื่อป้องกันตัว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 พาพี่ชายไปส่งโรงพยาบาลก็เลยแต่น้องชายคนเดียวนะน้องชายซึ่งตอนนั้นคงโกรธมากเห็นพี่ชายหลับไม่รู้ตัวก็เอาคัตเตอร์นี่แหละก็ไปปาดคอพี่ชายตายแต่แล้วก็รู้ทรงรู้สึกสำนึกผิด ก, ก็เลยรอให้รอ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 กับพี่ชายไปแปลมาลงเอ่ยด้วยการค่าพี่ชายกับมือมันเกิดอะไรขึ้นหรือทำไมเป็นอย่างนั้นที่จริงมันก็น่าด้เรียกว่าน่าเศร้าก็ไเลยนะที่ ตัวน้องชายอยากให้พี่เลิกเหล้าเหล้ากินเหล้าไม่ดีแต่ตัวเองนี่กับกินเหล้าไม่ดีมันผิดศีลหนะแต่ตัวเองนี่กับผิดศีลข้อที่หนึ่งนะปานาติบาเตือนพี่ชายอย่า ก, กินเหล้าแต่ตัวเองนี่กับฆ่าพี่ชาย เตือนพี่ชายอย่าผิดศีลห้าแต่ตัวนี้กับผิดศีลข้อที่หนึ่งซึ่งมันแรงกว่าได้ซ้าอันนี้มันก็แปลว่าเนี่ยเนะตือนคนอื่นแต่ลืมเตือนตนนะมองเห็นโทษแต่ของของคนอื่นแต่ว่าลืมนะลืมดูใจตัวเองผู้คนก็เป็นอย่างนี้กันมากนะนะ เอาแต่เตือนคนอื่นนะแต่ว่าไม่ได้เตือนตัวเองพอไม่ได้เตือนตัวเองนะมันก็เผลอในทำสิ่งที่แย่กว่าเร็ว้ายกว่าคนอื่นได้ซ้ำทำไมถึงทำอย่างนั้นมันข้อความโกรธนะ เตือนแล้วเขาไม่ฟังเตือนไม่ฟังก็ไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็โกรธพอกลัแล้วก็อาจจะต่อว่าด้วยคำรุนแรงพี่ชายก็เลยไม่พอใจถึงขั้นจะมาทาร้ายคือถ้าเตือนดีๆเนี่ยก็คงจะไม่ถึงกัขั้นเอาขวานมา เล่นงานน้องชายนะก็คงจะไปด่าเขานะทีแรกก็หวังดีนะแต่พอไม่ทําตามที่หวังดีก็โกรธพอโกรธแล้วก็เผลอนะด่าว่าไปฝ่ายที่ถูกด่า ก, ก็เลยโกรธบางทีแรกคงจะทะเลาะกันยิ่งทะเลาะกันมันก็ยิ่งโกรธมากขึ้นสุดท้ายก็ต้อง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 แนะนำไม่ทําตามที่เราบอกไอ้ตัวเราเนี่ยนะที่มันพวงติดมาเนี่ยมันตัวกาเลยนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะไม่ใช่คือถ้ามันไม่มีถ้าตัวกูไม่ถูกกระทบเนี่ยมันไม่โกรธ น, นะถ้าตัวกูไม่ถูกกระทบเนี่ยมันไม่โกรธ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 ถ้าทำดีการแนะนําคู่อื่นเนี่ยมันก็เป็นของดีนะโดยเพราะถ้าทําด้วยความปรารถนาดีความเมตตาแต่พอไปยึดมั่นถือมั่นมันเมื่อไหร่นี้ก็อันตรายเลยพราะตอนนั้นมันจะมีตัวกูเข้าไปแทรกยึดมั่นถือมั่นก็คือยึดมาว่าเป็นกูของกูเวลาพวกเขาว่ายึดมั่นยึดมั่นเนี่ยมัน มันจะมีมันจะพ่วงมาด้วยคาว่าตัวกูของกูเสมอไปนะกูแนะนำแล้วไม่ทำตามที่กูแนะนำนะก็โกรธเลยนะพอโกรธแล้วเป็นไงมันก็ลืมตัวนะพอลืมตัวแล้วก็จะทำอะไรก็ได้ สุดทแต่ว่าลืมมากแค่ไหนนะถ้าลืมน้อยก็อาจจะแค่ด่าว่าใช้ถ้าคำรุนแรงถ้าลืมมากก็อาจถึงขั้นลงไม้ลงมือนะไม่ใช่แค่ทำร้ายให้บาดเจ็บแต่ว่าถ้าลืมตัวมากก็อาจทำให้ถึงตายเลย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 มีการทะเลาะบบาแว้งกันก็ถึงกับฆ่ากันได้พ่อฆ่าลูกได้นะเคยรล่าใฟังมาแล้วนะพ่อนะปรารถนาดีกับลูกนะเห็นลูกประพฤติตัวไม่ถูกต้องก็แนะนำแนะนำลูกไม่ฟังมือเถียงก็เกิดการทะเลาะกันนะแล้วยิ่งสั่งแล้วลูกไม่ทำตามมันก็ยิ่งโกรธ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 เราก็มีการทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันอย่างแรงทะเลาะคงไม่ทะเลาะเปล่ามีการด่ากันด้วยนะพ่อนี่โกรธมากพ่อนี่เป็นคนที่ชอบเข้าวัดมะธรร ม, รมโมยิ่งอยากให้ลูกนี่มีธรรมะพูดลูกพูดแบบลูกพูด ไม่มีสัมมาครากับพ่อพ่ อ, พอยิ่งโกรธนะโกรธทำไงนะคราวนี้ก็อยากจะทำร้ายเลยเห็นปืนไว้่ใกล้ก็ยิงลูกตายพอรู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรทำเสร็จมันก็หายหายโกรธนะหรือว่ามันความโกรวมันก็ทุนเราลงทำเสร็จไปแล้วรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นก็ทำใจไม่ได้ก็เลยยิงตัวเองตาย วันที่ทาเริ่มต้นเกิดขึ้นจากเพราะความปรารถนาดีกับลูกนะแต่ความปรารถนาดีนะั้นมันไม่ใช่เป็นแค่เมตตาแต่มันเจอไปด้วยอุปาทานด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าต้องลูกต้องดีเหมือนกูหรือว่าลูกต้องต้องทาตามที่กูพูดกูสอนนะมันยังมีตรงนี้แทรกเข้ามา แล้วพอไม่ทำตามที่กูสอนหรือว่าไม่ทำตามที่กูแนะนำหรือว่าไม่ทำตามกูเนี่ยมันก็โกรธนะตัวกูนี่มันมันไม่ชอบอยู่แล้วนะพอความโกรธเกิดขึ้นนั้นก็การอยากทาร้ายก็ตามมาไอ้ เ, อเมตตก็ชิดซ้ายไปนะความเพียาบาศมันมาแทนที่ จริงถ้าเมตตาเมตตาแท้ๆไม่มีปัญหานะแต่ว่าพอเมตตาที่มันเจือด้วยอุปาทานหรือว่ามันถูกครอบงาด้วยอุปาทานเนะี่ยความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูก็เข้ามานั่นความปรารถนาดีนะหรือการทําดีนี่ดีแล้วที่ทำนะแต่ว่า ต้องระวังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่แค่ทํำดีอย่างเดียวนะคิดดีก็เหมือนกันนะถ้ายึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่อันตรายมื่นั้นนะหลวงพ่อเฟื่องโชติโกตนะพ่อเคยพูดว่านี่ถึงแม้เราจะความจรเราจะถูกแต่ถ้าก็ยึดมั่นมันก็ผิดเลยนะมันยึดมั่นตั้งแต่มันผิดตั้งแต่ไปยึดมั่นแล้ว ถึงแม้ยังไม่ทันจะทําอะไรเลยนะแค่คิดเนี่ยแต่พอยึดมันกข้าไปว่าเนี่ยว่ากูถูกกูถูกนะมันจะผิดทันทีเพราะมันจะไปมองเห็นคนอื่นที่คิดไม่เหมือนเราว่าผิดหรือว่าไปมองเขาว่าเป็นศัตรูเลยนะพอยึดมาว่าเนี่ยความเพียงกูเท่านั้น ท, ที่ถูกเนี่ยมันก็จะเห็นคนอื่นผิดไปเลยหรือเห็นคนอื่นลบไปเลยได้ความ ไม่พอใจก็จะตามมาไอ้ความไม่พอใจนี่ก็เป็นอกุศลนะมันก็มันก็ผิดแล้วล่ะนะพออกุศลเกิดขึ้นในใจนก็ผิดทันทีไอ้ความปรารถนาดีนี่มันก็บางครั้งก็เป็นเปิดช่องให้กิเลสเข้ามาเข้ามาจู่โจมเล่นงานเราได้ คนเราทำชั่วหรือทำร้ายกันในนามความปรารถนาดีก็เยอะนะลูกนะลูกดูแลพ่อแม่นะพ่อแม่ล้มป่วยนะแต่ว่ายายพ่อแม่หายป่วยยายพ่อแม่มียืยืนแต่พ่อแม่ก็มักจะไม่ค่อยเชื่อฟัง อยากให้พ่อเลิกบุหรี่พ่อก็ไม่ยอมเลิกอยากจะให้แม่นะเลิกกินพวกอาหารประเภทข้าวขาหมูพวกของหวานนะก็ไม่ยอมเลิกแม่เป็นเบาหวานน้นตายขึ้นแอบกินนะพวกของหวานพวกข้าวเหนียวนะทุเรียน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 หรือว่าอาการของพ่อแม่มันแย่ลงน้ำตาลสูงหรือว่าพ่อล้มป่วยหนักขึ้นอันนี้เรียกว่าประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจอมันเป็นไงทุกข์ก็คือโกรธพออกลัแล้วก็ลืมตัวด่าด่าเสร็จ ก, ก็มารู้ตัวก็เสียใจ เสียใจยแล้วขอโทษยังก็ยังก็ยังพอทำนาบางคนก็ไม่ขอโทษนะพอแม่ตายไปแล้วก็พ่อตายไปก็มา น, นึกเสียใจยรู้สึกผิดว่าทำไมไม่ขอโทษหรือทำไมไปทาอย่างนั้นกับพ่อแม่เี่ยอันนี้เรียกว่าด่าเพราะเริ่มต้นเพราะความปราถนาดีหรือว่ารู้สึกว่าเป็นการด่าเป็นสิ่งที่ชอบทำเพราะว่าปราถนาดี มันต้องระวังนะความปรารถนาดีเนี่ยบางทีกิเลสมันเอามาใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะทำตามอำนาจของมันพวกที่ไปพวกที่ก่อการร้ายเอาเครื่องบินไปชนตึกวอลเทสนะหรือว่าไปเอาระเบิดพีชีไปเป็นระเบิดค น, หน่หรือว่าส่งระเบิดพีชีไปฆ่าผู้คนเนี่ย ั น, นก็ทำในานามความปรารถนาดีนะต้องการให้ผู้คนนี้มานับถือพระเจ้าแต่ต้องเป็นพระเจ้าแบบของฉันนะไม่ใช่แบบของแกนะต้องเป็นพระเจ้าแบบของฉันหรือศาสนาของฉันต้องการทำให้คนมีศีลธรรมนะก็ไปก่อการร้ายสั่งสอนนะ กิเลนี้บางทีมันก็อาศัยความปรารถนาที่เป็นข้ออ้างในการทําชั่วหรือว่าทําตามหน้าของมันมันเป็นทั้งทุกระดับนะตั้งแต่พ่อแม่กับลูกลูกกับพ่อแม่เพื่อนกับเพื่อนพี่กับน้องดังน้บางทีความปรารถนาดีก็ต้องระวังต้องระวังหกตุลา นะไปเผาเผาคนเอาคนมาแขวนเขาก็ทำเปนนามของนะความเรียก ว, ว่าอุดมการณ์สูงส่งนะต้องการพิทักชาติสากษศัตริ์ mm. อุดมการที่สูงนะมันก็สามารถเป็นข้ออ้างในการทำสิ่งที่ต่ำก็ได้เผนะาคนในนามของศาสนานี่ก็มีนะไปยุโรปเนะที่ยวนี้นี่ก็ไป ได้ไปเยือนจตุรัสหลายแห่งที่มีชื่อที่สเปนนี่ก็มาดริดมันก็มีจตุรัสชื่ออะไรชื่อว่าพลาซ่ามายออ้วยคนไปเที่ยวเยอะมากตั้งแต่เช้าจนดึกก็เป็นแหล่งสำเริงสำราญคนก็กินข้าวกินอาหารกินเหล้ากินเบียร์รอบๆตามขอบจบตุรัสนักท่องเที่ยวสเปนนี่ ก็ต้องถ้าไปมาดริด ก, ก็ต้องเที่ยวพลาซ่ามาโยเหมือนกับเช็คกรุงปรางนี่ก็มีพลาซ่าคือฝรั่งยุโรปก็จะมีจตุรัสใหญ่เล็กๆเล็ ก, ลกสระสนามหลวงแต่ว่ามีชีวิตชีวามากมีอาคารล้อมรอบนะก็เป็นที่ที่คนมาเที่ยวกันนักท่องเที่ยวก็ต้องมากั น, นกรุงปรากก็มีจตุรัสใหญ่ สวยแต่คนไม่เคยรู้นะว่าจตุรัสเหล่ลานี้เมื่อสามสี่ร้อยปีมันเป็นที่กิจกรรมที่ทำคือเผาเผาคนที่นับถือาศาสนาอื่นเผาคนทะี่เช่นเผาคนที่นับถือาศาสนาโปรเตสแตนต์นนะสเบงกับกับเช็กเนียนนับถือาศาสนาคาทอลิกโรมันคาทอลนะิกไทยที่นับถือ โปรเตสแตนต์เนี่ยก็ถูกจับมาเผาหาเป็นพวกนอกลีเผาในนามของศาสนาคริสต์ศาสนาร้ำในนามพระเจ้าเพื่อให้ศาสนาบริสุทธิเ์เมื่อปาสนาดีมีตรงการสูงส่งแล้วนี่มันก็รุ ก, กิเเลนมันก็มีข้ออ้างว่าจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นต้องระวังมาก นี่ทำใยความรู้ตัวก็มีนะรู้ตัวแบบหยาบๆก็คือว่าทำเพื่อความดีนะแต่บางคนเขาก็ลืมตัวลืมตัวแบบว่าไม่ได้สนใจความดีแล้วเนี่ยอย่างเช่นน้องที่ฆ่าฆ่าพี่ชายตอนมันลืมตัวหมดมันมีแต่ความโกรธอย่างเดียวพี่ชายอาจจะเอาข้าขวานมาเพราะว่าเมานะเมาเหล้า ส่วนน้องชายนี่เอาคัตเตอร์กรีดขอพี่ชายเพราเมาอารมณ์น้องชายไม่ได้เมาเหล้านะแต่เมาอารมณ์เมาความโกรธบางทีเล่าเล่าความโกรธเมาเล่ากับเมาเมาเม า, เมาอารมณ์นี่บางทีเมาอารมณ์นี่น่ากลัวกว่านะเมาเล่านี่มันก็อาจจะดไม่แต่ทําช่วงก็ยังทำได้ไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะมันเมาเจา้าอย่างพี่ชายเจา้า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 เขาจะเชื่อฟังเราไหมก็จะทําตามก็จะทําตามที่เราแนะนํำไหมหรือว่าเขาจะเห็นความดีของเราไหมเนี่ยมันลืมดูใจอันนี้ต้องระวังคนทําความดีหรือเวลาทําดีเนี่ยมักจะส่งปีติออกนอกได้ง่ายเหมือนกันนะนก็เลยลืลมดูใจ อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานนะว่าไม่ว่าเราทำอะไรไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็อย่าลืมดูใจเสมอะอะไรเกิดขึ้นข้างหน้าก็ใช้ตามองใช้หูรับรู้ส่วนสติก็เอามาใช้ดูใจนะไม่ใช่ปล่อยใจออกไปข้างนอกนจน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 พอไม่งั้นเนี่ยมันก็อาจาจะโดนกินเลสหรือว่าโดนอกุศลแล้วจิตเนี่ยครอบงำได้แล้วคนเราเนี่ยจะว่าไปแล้วยิ่งยิ่งมีความปรารถนาธี่จใครเนี่ยนะมันก็ยิ่งโกรธง่ายนะมันก็ยิ่งโกรธง่ายเพราะว่ามันก็ผิดหวังง่าย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 ถ้าเรามั่นดูใจนะระหว่างที่ทำอะไรก็ดูกายรู้กายใจเผยคิดนึกไปก็รู้ใจมันจะค่อยเห็นตัวไอตัวกูเนี่ยที่มันชักใจอยู่เบื้องหลังชักใจอยู่เบื้องหลังความโกรธความเศร้าเสียใจแล้วก็เป็นที่มาของความทุกข์ ความทุกคนเราเนี่ยไม่ว่าจะปรากฏในลนักษณะใดเนี่ยมันก็สาวใบาจริงก็จะพบว่ามันมีร่างง่ามาจากอุปทานนะอุปทานความยึดมั่นว่าเราว่าของเราหรือว่าที่พูุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในอนัตตลก น, น, นัสสวดว่นี่นั่นของเรานนั่นคือเรา นั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราอันนี้เรียกว่าตัณหามาณทิฏฐินั่นของเราก็ตัณหานั่นเป็นเราก็มานะนั่นตัวตนของเราก็ทิฏฐิทิฏฐิในที่นี้คือสกักกายทิฏฐิความหลงความยึดว่ากายใจนี้เป็นตัวตนของเราคือเป็นตัวเป็นตน จารย์พุทธา่านก็สุกเนตัวกูของกูนะแต่ว่าจะไม่ครบสามนะท่านเจ้าคุณพรหมพุณาพรนก็เติมมาอีกว่านี่กุลนะตัวกูของกูแล้วก็นี่กุนะนี่กุลนะคือมานะของกูคือตันหาส่วนตัวกูคือทิฏฐิตัวกูของกูนี่กุลนะเนี่ยคอยคอยมาคอยผุดคอยโผล่ ก็คอยชักใหญนะ่อยู่เบื้องหลังนะแล้กระทั่งเวลาทำความดีเวลาช่วยเหลือเกือ้อกูลใครนะมันก็คอยมาคอยมาแจมคอยมาแซ่คอยมาช่วยโอกาสอยู่เสมอนะที่เราสวดกันทุกทุกเย็นนะว่าขอหมู่บ้านอย่าได้ช่องนะี่นไอหมู่บ้านเนี่ยมันก็นก็รวมไปถึงในเรื่องของ ตัวกูของกูนี่ด้วยนะขอมูมานอย่าได้ช่องหรือที่จริงคือว่าอย่าได้เปิดช่องให้มูมานจะไปขอให้มูมานอย่าได้ช่องนี่มันก็มันก็ไม่ดีเท่ากับว่าอย่าเปิดช่องให้มูมานนะอย่าเปิดช่องให้มูมานเข้ามาจู่โจมครอบงำใจเราก็ทำยังไงก็ต้องมีสติมีสติสตินี่จะเป็นตัว ตัวปิดป้องไม่เปิดช่องให้หมู่มารเข้ามาเล่นงานได้ทำอะไรทำอะไรกอ็อย่าลืมดูใจของเราโดยใส่สติส ต, ติตัวเดียวนี่มันช่วยได้เยอะทีเดียวเคยมีคนถามหลวงหลวงปู่ดูนะว่าหลวงปู่นะช่วยบอกธรรมะสั้นๆเรื่องการปฏิบัติ ที่มันจะกำจัดกิกเลสกำจัดโลภะโทสะโมหะได้คนสมัยนี้ก็ชอบเลยธรรมะสั้นๆนะไม่เคยมีเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มีคนมาเยี่ยมไวเราคนมาเยี่ยมก็บอกไานช่วยให้ธรรมะนะสั้นๆสักข้อหนึ่งซิเดี๋ยวนี้คนมาเยี่ยมก็มักจะพูดแบบนี้ไม่ค่อยมีเวลานะ ก็มีคนถามพางนี้กับหลวงปูด่ดูเหมือนกันนะขอธรรมะสั้นๆเรื่องการปฏิบัติเนี่ยช่วยช่วยกำจัดโลภะโทสะโมหะหลวงปู่ท่านก็พูดเสียงดังฟังชัดขึ้นมาทันทีเลยแค่คำเดียวคือสติสั้นมากนะท่า น, นพูดแค่คำเดียวนะสติแต่พูดแบบนี้คนคนที่ถามก็คงจะงงนะ ว่าไอ้มาสติมันจะช่วยกําจัดโลภะโทสะโมห oh ะได้ยังไงแต่ถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะไม่สงสัยแต่คนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยก็มักจะถามแบบนี้แหละนะขอธรรมะสั้นๆสั้นนถ้าปฏิบัติแล้วก็จะไม่ไม่ถามแบบนั้นเมื่อไม่มปฏิบัติเจอคําตอบสั้นๆจริงๆก็งงว่าแปลว่าอะไรหมายถึงว่ามันช่วยยังไงได้บ้างในการกำจกกัดกิเลสคือโลภะโทสะโมห oh ะ ถ้าจะให้เข้าใจก็อธิบายยาวมันก็เป็นธรรมะสั้นๆไม่ได้เอาละชาวเนี้เพื่อนท่านี้กับครับ